พ่อที่ให้โอกาสได้พูดวันนี้แล้วก็เจริญพรยัดยมทุกคนก็ตามนั่งตามสบายนะเอามือลงก็ได้ำคำแงวให้เราอยู่แบบยังไงเรารู้ตัวสบายสบายถือว่าเป็นทาความรู้จักกันไปด้วยเนา ะ, อ, ะอย่าง พ่อพ่อออกพันนี่กับพอ่อออกทีนี่คงจะฮุกกีอยู่กับการปฏิบัตินานนะสำหรับอพ่อหรือว่าโยมมังกรนี่ก็คงจะหลายปีนะแต่ว่าคงจะเริ่มทำาไงยกมือเนา ะ, ะประมาณนี้ก็อาตอมาก็จะเล่าออถึง าการปฏิบัติมาให้ฟังเนาะเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับโยมบ้างเนาะอาตายมาเป็นเดิมทีเป็นคนสกลนครนะเป็นบุตรคนที่สองตอนนี้อายุ43่สาปีแล้วก็เดิมทีพี่น้องผู้ชายห้าค น, นผู้หญิง สี่คนนี่ทุกคนก็จะบ่นบานบวชกันทั้งหมดนะผู้ชายเนะี่ยว่าเลี้ยงยากเกิดมาแล้วเลี้ยงยากเขาก็บ่นบานอ่าเออถ้าโตก็จะให้บวชอย่างนี้มีอาจมารูปเดียวที่ไม่ได้บ่นกับเขาเลี้ย ง, ง่ายเรื้ยงไงก็ไม่รู้อ่าก็เลยไม่ได้บน่นพอไม่ได้บน่นก็เลยไม่ได้บวชนะ พอไม่ได้บวชแล้วก็อยากบวชเิ่นพี่น้องบวชกันหมดนะเราบวชกระสึกหมดทีนี้เราก็นึกอยากจะบวชนะก็พอดีได้บวชในวันที่สมเด็จย่าพอดีเป็นนาคหลวงบวชที่สกลนครแหละตอนนั้นบวชกันทั่วประเทศลายรูปรุ่นเดียวกันแปดสิบหกลูปนะแล้วก็หายไปทีละน้อยทีละน้อย จนกระทั<แ> <asthma> <coordinates S 1> ่ง <plum> ล <ored rainbow> ่าสุดเหลือสองลูอประมาณสองปีที่แล้วทีนี้ก็รูปนั้นก็สึกปีก็เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวคมจะไม่รู้จะไปยังไงแล้วแต่เป็นแต่กรรมประมาณนั้นนะก็ในการปฏิบัติเนี่ยคือมีความคิดว่าอยากจะปฏิบัตินะไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเราเนี่ยเป็นคนภูไทยอ่า เป็นคนเนุนคอรเอรเภอเนุนครใกล้ๆ ก, กับทาาพนมจังหวัดนาครพนมน ะ, ะก็เข้าไปหาท่านพ่อข้สอนบอกก็ไปให้ลามาให้ไหว้วก็ไปไหว้ขอกรรมฐานอันก็แนะนำแนะนำกรรมฐานก็มีอยู่พรรษาที่สองเริ่มสวดพระปฏิโมกนะวันนั้นรู้สึกว่าจะ ท่องปฏิโมกแล้วก็ไม่ได้ลงไปจัดอาสนะปูอาสนะเนี่ยให้พระเตระเตรียมบาทเตรียมอะไรก่อนชั้นนี่นะทีนี้เราลงไปสายวันนั้นวันเดียวนั่นแหละเรลงไปสายโดนหลวงพ่อเห็นบอดีหลวงพ่อก็บอกว่าถึงเวลากินแล้วก็มากินเนะาะงั้นโอ้มันเจ็บก็ไปเลือกนะแต่จริงๆท่านก็สอนนะ่ะ จริงๆแล้วก็ไม่ได้คนดื้อหรือว่าขี้เกียจอะไรเราแต่ว่าน้ำทวนปฏิโมกนานก็สวดปฏิโมกได้แต่มาปฏิบัติธรรมนี่ที่ว่าเริ่มแรกเป็นเป็ น, ปนรูปเป็นร่างจริงๆก็คื อ, อไปอยู่ที่สํานักเนินพนาที่จังหวัดน้องคายที่นั่นจะเป็นสํานักกรรมฐาน กยกแบบเรานี่ยแหละแบบเดียวกันเลยแต่ว่าทางโน้นเ็าจะมีการยืนการนั่งการนอนเขาจะมีหมดเลยเอา่าเราก็ยกปฏิบัติไปแต่อาตมาขี้เกียจยก เ, เป็นคนที่แบบชอบทำอะไรตามใจตัวเองเพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงในการทำอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นช่างเป็นช่างอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็ มันจะไม่มีอะไรติขดขัดเลยแบบทุกอย่างเราดูออกหมดอย่างเงี้ย เ, เพื่อนๆทาผิดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแก้ไขให้อย่างเงี้ยมันก็เลยมีความมั่นใจในตัวเองว่า อ, อทําอะไรทําอะไรก็จะมีความมั่นใจอย่างงี้ก็เลยจะทํำยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันใจเราชอบทําอย่างเงี้แล้วมันก็จะออกมาดีอะไรประมาณนี้นะมั่นใจในตัวเองอย่างนั้นทีนี้ก็ไปปฏิบัติ เดินปูเสือไว้ห้องประมาณเท่านี้แหละปูเสือไว้แล้วก็เดินรอบเป็นวงกลมเพราะว่ามันสั้นห้องมันแคบเดินอยู่เจ็ดวันตอนนั้นเจ็ดวันนี้มันก็คิดไปเรื่อยๆเนะี่ยคิดไปเรื่อยอเดินไปด้วยคิดไปด้วยแต่วันหนึ่งเดินประมาณสิบสองชั่วโมงได้จะหยุดแต่เวลาทานอาหารเขาจะไปส่งข้าว ที่กุฏิก็จะไปส่งข้าวให้มื้อหนึ่งตอนเช้าแล้วก็เวลานอนกับเวลาอาบน้ำเท่านั้นนอกนั้นเดินสมาทานไว้ว่าเราจะไม่ทําอะไรอจะเดินอย่างเดียวมันจะคิดอะไรก็ช่างมันจะเดินอย่างเดียวแล้วไม่เอาอะไรเดินอย่างเดียว่มันจะคิ ด, ก, ด, ด, ออ ด, ด, คดก็เดินมันจะขี้เกียจไม่เดินมันก็เดินสมาทานเดินอย่างเดียวอเอ อ, เ อ, อตมาชอบชอบสมาทานนะ ไล่ๆล่กิเลตัวเองชอบสมาทานก่อนนั้นนี้ก็สูบบุหรี่ทีนี้พรรษาแรกเนี่ยพอจะเข้าพรรษาเนี่ยเราจะสมาทานคือไม่สูบบุหรี่นะพอออกพรรษาปุ๊บไปปริวาสหรือว่าไปจะเรีกเดินทุดงนี่เจอเพื่อนฝูงก็เอาว่างแต่มาขาดจริงๆก็พรรษาที่6กพรรษาที่หกขาดแต่ทุกพรรษาสมาทานทุกปีนี่พรรษาอันนั้น ทีนี้พอเจ็ดวันผ่านไปแล้วมันมันจิตมันหลุดตอนนั้นนะ่ะตอนปฏิบัติจิตมันหลุดคือมันไม่ติดมันไม่ติดคือข้อสำคัญตัวเองก็เป็นผ้าละหันนะตอนนั้นนะเพราะว่ามันมันตรงหมดเลยกับที่พระพุทธเจ้าตัดไปกันที่ว่ากิจที่ได้ทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่น ที่จะทำอีกนี่ได้มีจิตมันปรากฏอย่างนั้นแล้วก็ให้คำถามตัวเองว่ามันคืออะไรมันกะได้คำตอบ ว, ว่าทุกอย่างมันเป็นอาการของจิตเฉยที่มีอยู่เป็นเป็นอาการของจิตเฉยแล้วมันก็มันไม่ฉลาดไม่ง้อแต่มันหลุดมันหลุดแล้วก็แล้วกันจบตรงนั้นเลย แต่นั้นเป็นอยู่คืนเดียวแล้วมันกลับมาอีกแล้ว เ, เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกก็เลยนึกถึงคำหลวงพ่อเทียนที่ว่าเชื่อกขาดก็เลยเอย้มันมีเลือคนที่เชื่อกขาดเดี๋ยวนี้นอกจากหลวงพ่อเทียนยก็มาเชื่อกขาดเนี่ยคือมันขาดแล้วมันไม่กลับไปต่อนะคือพระพุทธองค์ก็เคยตัดว่าตราบใดที่ อาการของเรายัางไม่กำเริบเรายังไม่ปฏิญญาตนว่าตัดรู้พร้อมแล้วเฉพาะสัมมาสัมโพธิญาณในธรรมจักตัดอางนั้นนะออันนี้มันก็เลยเหมือนกับมันไม่ลงตัวมันยังกำเริบอยู่แต่มันเคยเป็นถ้าทูดถึงความสงสัยไม่มีหรอกปฏิบัติมาไม่มีตายเกิดหรือ ตายศูนย์หรือสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นคาที่สงสัยที่สุดเลยนะบทมานี่ว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าพูดง่ายๆถามใครก็ไม่รู้หรอกเขาก็ตอบไม่ได้อุปมาเหมือนกับว่าคนตาบอดกับคนตาดีคนตาบอดนี่อยากจะรู้สีขาวนี่ ไปถามคนตาดีว่าสีขาวเป็นยังไงคนตาดีก็บอกว่าเหมือนคนเมฆคนตาบอดกับคนเมฆเป็นยังไงเหมือนปุยฝ้ายเออคนตาบอดก็ถามวะแล้วปุยฝ้ายเป็นไงเอ้าปุยฝ้ายมันก็สีขาวมนนกกระยางนะคนตาบอดก็ไปซื้อนกกระยางคำไปคำมา ถูกปากมันเห็นแหลมๆก็คิดตัวเองว่าอ๋อสีขาวมันแหลมๆมนมงนี้เองเป็นไงอันนี้คือคือคนรู้กับคนไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายยังไงให้คนที่ไม่เข้าใจฟังเนี่ยก็เหมือนกับคนตาดีบอกสีขาวคนตาบอดไม่สามารถจะเข้าใจได้ เว้นไว้แต่เขามีดวงตาเองถ้าเขามีดวงตาเองแล้วก็ต่อให้มีผู้รู้หรือว่าพาระอรหานต์นั่งอยู่ใกล้ๆเขาไม่ต้องถามว่านี่สีแดงไหมนี่สีขาวไหมเพราะว่าเขาก็มีตาอยู่แล้วอธรรมะมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราข้ามตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าสงสัยตัวนี้ไม่ได้ก็จึงถือว่าเราเรายัาง ยังไม่ถึงจุดที่เรียกได้ว่าเห็นรูปนามนะมันต้องข้ามจุดนี้ที่สงสัยว่าตายเกิดตายสูญสวรรคโลกมีจริงหรือเปล่าชาติกอนเราเป็นอะไรชาติหน้าเราเป็นอะไรตายแล้วจิตเราจะลอยไปที่ไหนความสงสัยเหล่านี้นะเหมือนกับคนตาบอดสงสัยสีขาวไม่มีบิดเลยถึงจะพิสูจน์ยังไงก็ คิดเอาเองว่าสีขาวมันแหลมๆคือเป็นความคิดของเขาเป็นอย่างนั้น่ะเพราะฉะนั้นนี่เราพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องถามใครเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนเดินอยู่จุดไหนในความลังเล ส, สงสัยนี่การปฏิบัติ บ, บางทีมันก็มีผลอยู่มีผลตรงที่ว่าบางทีมันก็เกิดอาการเห็นเห็นกายในกายนี่มันก็ผิด ธรรมชาตินะธรรมชาติคือเราอยู่อย่างปกติอย่างนี้พอเราไปปฏิบัติสักระยะหนึ่งมันก็ให้ผลขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเห็นแบบเหนือธรรมดานะ่ะเห็นแบบไม่เหมือนกับคนที่เฉยๆออยู่เฉยๆไม่ได้ปฏิบัตินะผู้เรียนคือผลการปฏิบัติเกิดขึ้นแต่เป็นภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ปรากฏกับเราเราก็จะมีความภูมิใจตรงนั้นว่าเออสิ่งที่เราปฏิบัติมานี่ยมันปรากฏอย่างงั้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันก็เกิดถ้าเราปฏิบัติแล้วเกิดแน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นขึ้นลงลงมันเกิดเกิดดับๆับในธรรมชาติธาตุขันถึงแม้เราไม่ปฏิบัตมิมันก็เกิดอยู่แล้วบางคนบางคนไม่ปฏิบัติหลับตาล ง, งเห็นโครงกระดูกก็มีเป็นอย่างนั้นนะหลับตาเอย่างเห็นโครงกระดูกก็ไม่อยากจะเห็นนะบางคนภาวนาพุโทโธเฉยก็เห็นโครงกระดูกญาติอตมามี มันก็เป็นแบบนั้นนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบางที่นี่มันก็ประสบการณ์ของใครก็ของใครเหมือนกันแต่จุดสำคัญคื อ, เ, อเราไม่สงสัยนะเราไม่สงสัยก่อนอันดับแรกพอถึงจุดนี้ล้วก็ถือว่าใช้ได้ถ้าไม่สงสัยนะทีนี้ประสบการณ์ ที่ปฏิบัติมาเนี่ยไม่เห็นอะไรดีไปกว่าการทําต่อเนื่องทํายังไงก็ทำไปเถอะรู้บ้างไม่รู้บ้างเขาให้ทำต่อเนื่องอนุบ า, าเห็นชัดตอนอนุมาเดินในเจ็ดวันต่อกันเนี่เดินอย่างนั้นแหละตอนนั้นร่างกายดีไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้ร่างกายมันดาวลงเดินนี่เดินทั้งวันขาก็ไม่ปวดเดินอยู่งั้นแหละเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยมันจะรู้กับไม่รู้ก็แล้วแต่จะไม่รู้ก็แล้วแต่จะเป็นสมาธิก็แล้วแต่ แต่มันจะเดินอย่างเดียวตั้งสมาธิไว้ตั้งใจไว้อธิษฐานไว้จะเดินอย่างนี้ก็เดินไปอันนั้นแนวปฏิบัติของอาตมาแต่ก็มีอะไรแบบนั่งสมาธิก็มันไม่สงสัยอ่ะมันมันเจาะเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้เจาะเข้าไปแล้วดูดูเข้าไปแล้มันเคยดูปฏิบัติมางทางอานาปานสติก่อนหน้านี้ก็เคยเพ่งเหมือนกันกระสินไฟเพ่งกระสินไฟแล้วก็มันเกิดนิมิตขึ้นมา แต่หลวงพ่อก็ทักบอกว่าก๊าซินไฟนี่ถ้ามันเข้าตัวมล้เอาออกยากท่านบอกแล้วไอ้คนคนหนึ่งที่เขาเล่นก๊าซินไฟเนี่ก็บางทีเรานั่งอยู่ข้างหลังเขาเดี๋ยวหอยก็ตกปุ๊บลงมาเนี่ยเกิดจากจิตเขาบางทีเดินไปในในฝายมีฝายเป็นแม่น้ําตกมีปลาตัวเล็กๆมันลอยอยู่เขาเพ่งมองไปมันก็ก็ตายอ่ะมันจะเดือดไปเลยติดๆติๆติดๆก็ตายเงี่ย ก็เลยเข้าใจมันเป็นเรื่องเบียดเบียน่ะก็เลยถอยตั้งแต่นั้นอ่าถอยไม่เอาเรื่องศิ้นไปคือจิตเรามันจะรู้เองว่าเออไม่ใช่แล้วนี่ก็เลยหันมาทางอ่าเนี่ยทางทางเนี้ยทางอทําต่อเรื่องทางเห็นรูปเห็นนามนคําว่าคันห้าเนี่ยไอ้อย่างหนึ่งคือถ้าเราเพิกร่างกายเราออกได้มันจะเป็นขันห้า บางทีครูบาอาจารย์พูดเราก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าเราไม่เห็นเองกันห้าคนนั้นก็พูดว่านั่งอยู่นี่เป็นรูปขันรูปเป็นน้ำางนเนี้ยจริงๆขันห้าเนี่ยถ้าเราเราสมมติว่าร่างกายของเราหายไปหมดนี่สิ่งสิ่งที่มันเหลืออยู่มันจะเป็นขันห้าเคยได้ยินคำว่าขันธาตุอายตนะไหมขันธาตุอายตนะเป็นของไม่น่าชอบใจพระพุทธเจ้า ตัดอย่างนี้นะคําว่าขันก็คือขันท่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าร่างกายหายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือขันท่ า, ทาธาตุก็คือเนี่ยร่างกายคือาธาตุอยายตนะก็คือการเชื่อมต่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทีนี้มันยากอาตมามีความรู้สึกว่ายากไปพูดเรื่องนี้พูดให้ใครฟังขาก็ไม่เข้าค่อยเข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเข้าใจนะ เนี่ยเดี๋ยวนี้พูดถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยสมมติเราได้ยินอยู่นี่อาการได้ยินมีอยู่มองดูอัตมาอาการเห็นก็มีอยู่ถ้าเราหนาวนี่อาการหนาวก็มีอยู่แต่สมมติปาจจากกายแค่อย่างเดียวอาการสามสองหายวับไปทุกยิงทุกอย่างที่ปรากฏอยู่คือขันห้าถ้าเห็นชัดขันห้ามันจะไม่มีที่ตั้งเลยเสียงไม่มีหูเป็นที่ตั้งนะความรู้สึกเราก็ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งหมด เป็นศักแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาแล้วก็ดับไปธรรมดาเกิดขึ้นธรรมดาดับไปธรรมดาทั้งอายุทนาทั้งหกอะสิ่งนั้นแหละคือขันห้ารูปมันก็ไม่สามารถรู้ตัวมันเองได้นามก็รู้มันพอรูปกับนามอาศัยกันก็เกิดความรู้สึกขึ้นเหมือนกับได้ยินเนี่เสียงก็คือรูปมันแต่ว่าเสียงก็ต้องมีอาการได้ยินด้วยถึงเป็นนาเนี้ย ถ้าเสียงไม่ปรากฏนามก็ไม่ปรากฏรูปกับนามเนี่จึงอยู่ด้วยกันเพราะว่าน้ำมารู ป, ปังจึงเป็นเอกวัชนะนะไม่ใช่ภูวัชชนะเป็นอันเดียวอันเดียวนี่ไม่สามารถแยกกันได้มันก็เกิดขึ้นดับไปนี่รูปนามแต่เราก็พูดได้ว่านั่งอยู่นี่เป็นรูปรูปเป็นน้ำผูาอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นแต่รูปน้ำจริงๆคือตัวนี้ตัวที่พูดนี่ ไม่สามารถแยกได้แต่ว่าเห็นด้วยปัญญาว่าอันนี้ลู่อันนี้นามได้แต่มันแยกกันไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะนั้นทีนี้ถ้าเห็นเห็นขันห้านี่ก็ต้องเห็นลักษณะของขันห้าลักษณะของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตาลักษณะของมันเป็นสามัญลักษณะ ถ้าไม่เห็นก็คือมีเห็นแต่ถ้าเห็นต้องรู้ตัวนี้ต้องรู้ถึงอนัตตาเลยอ่าถ้าไม่เห็นถึงอนัตตาแสดงว่าการรู้ขันห้ายังไม่ใช่การเห็นรูปนามยังไม่ใช่อาจจะเป็นภาวะอย่างอื่นนะที่มันเกิดปรากฏของเราอ่แต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องอ่ารู้นะถ้าพูดถึงชั้นสูงที่ว่ามันหลุดเลยถ้ามันเป็นได้นะ ถ้ามันหลุดเลยเป็นได้คือพูดง่ายๆสิ่งที่เราสร้างขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาวะอาสวะหมดเลยอะไรที่เกิดปรากฏไม่มีสิ่งไหนที่คงอยู่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทางตาหูจมูกลิก้นแใหญ่สิ่งไหนที่เกิดขึ้นสิ่งไหนที่ดับลงสิ่งนั้นชื่อว่าโลกสิ่งนั้นชื่อว่าทุสิ่งนั้นชื่อว่าอาสวะ คาลยอยู่เหนือโลกก็คืออยู่จุดนี้ทั้งหมดเนือจุดนี้ทั้งหมดเป็นลักษณะนั้นแต่เราก็ถ้าอาศัยตัวนี้เป็นมักไปอาศัยเป็นเรือใบพายไปอย่างเงี้ยแต่เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้แต่ว่ามันไม่ลงตัวอาตมาก็สงสัยอยู่อันตัวนี้ที่ว่าทําไมเหมือนกับปฏิบัติไปแล้วมันติดอะไรเนาะ ทำไมมันไม่หลุดพ้นคือจุดสูงสุดคือหลุดพ้นเนี่ยคือทําอาสวะให้สิ้นเนี่ยถึงเรารู้นี่ถ้าเราไม่หลุดพ้นก็เหมือนเดิมเแต่มันมันมันมันไม่สงสัยเฉยเพราะว่ามันยังเสวยทุกคยังเสพทุกข์อยู่เพราะว่าการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่ว่าทําให้รูปให้นามมันหมดทําให้ทุกข์มันหมดทําให้กิเลสมันหมดไม่ใช่เพียงแต่หลุดพ้นไปสิ่งที่มันมันมีอยู่อะอย่างเงี้ย พูดถึงเรื่องนี้ก็นึกได้เมื่อคืนนี้เหมือนกับมีพระมาบอกเงี้ยนะนี่มิดนะเขาบอกอย่างนี้ น, น, นะออนนะเราให้ฟังเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตที่สั่งสอนเบญญาสัจไม่เคยฆ่ามารเลยเขาบอกอย่างนี้พระพุทธองค์ยังไม่เคยฆ่ามารเลยเขาบอกอย่างนี้นะ เออมันก็ใช่ของเขาอันนี้เป็นพระนะมาบอกเมื่อคืนนี้น ะ, ะเพราะว่าท้ายที่สุดตอนที่พระพุทธเจ้าจาปะปริลิพน์านี่ฉันเนื้อสุกรมัทวะของนายจุนท่านี่แล้วก็ปริลิพน์ผานะก็รับปากมานนะคือมานมาขอาขอพระองค์นี่ยาอะไรก็ลงตัวหมดแล้วตอนนี้พุทธบริษัทก็เป็นปึกแผ่นแล้ว ขอจงปฏิญิพานเธอส์มารบอกอ่พระพุทธเจ้าเขารับปากมารทีนี้พออนอนท์ทราบพระพุทธเจ้าปฏิญิพานอีกสามเดือนข้างหน้าอ น, อนนท์ร้องไห้กนะ็อบอกเรารับปากมารไปแล้วอนอนท์เราทํานิมิตให้เธอถึงสิบหกครั้งเธอก็ยังไม่ทูลอรัตนานิมนต์ให้เราอยู่ถ้าเธอนิมนต์เราอยู่เราก็สามารถอยู่ได้เปิดกับเป็นกันแต่เธอไม่นิมนต์เพราะฉะนั้นเราก็เลยรับนิมนต์ของมาร นั่นแหละแต่เราก็เข้าใจพรุทธเจ้าชนะมารก็มีบางพระพทุทธเจ้าชนะมารเพราะคําว่ามานนี่มันก็เป็นขันธมานนั่นแหละอันหนึง่งแล้วขันธามานพระพุทธเจ้าเคยฆ่าหรือเปล่าไม่เคยร่างกายคือขันธานมันพระพุทธองค์ก็ใช้ขันธามันเลยตลอดตลอดไปประกาศสัจธรรมให้เวนยสัจตั้งเมืองสาวบถีเมืองสาเกตอะไรก็แล้วแต่ ก็ใช้ร่างกายหลยอ่านั่นแหละคือขันอ่าขันธมารคือขันคือร่างกายอ่าท่านั้นก็เลยเออัอนคําพูดนั่นก็มี ม, มีมีความหมายไปนะคำว่าขันธมารเองพราะพระพเจ้ามีเคยฆ่ามารนะแม้แต่ตัวเราเองเราก็อยู่กับมารนะแต่ทําไงเราจึงจะหลุดพ้นจากมารจากบ่วงแห่งมารอ่าท่านก็บอกว่ามีมดหลุดพ้นนั่นแหละแต่ว่า อ่าใครจะถึงก็ไม่ถึงไม่รู้นะใครถึงก็เขาก็รู้เขาเองนะแต่ธรรมาไม่ถึงนะธรรมาบอกก่อนนะมีมุตินี่ไม่ถึงแต่ถ้าถามว่าสงสัยไหมไม่สงสัยเออแต่ไม่ถึงไม่เป็นนะไม่รู้ถึงอย่งไงแต่อาจจะมีคนรู้ถึงถ้าเขาปฏิบัติได้นะเพราะนั้นพวกเราเนี่ปฏิบัติไปเถอะออย่างที่พูดมาแล้วว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติไม่มีอะไรดีเท่าทําต่อเนื่อง เดินก็เดินไปเถอะเดินอย่างั้นแหละ ย, ยกมือก็ยกไปเถอะได้สักวันหนึ่งมันจะโป้งขึ้นมาเองตอนนั้นแหละเราไม่ต้อง <c oughs> ถามใครแล้วอืมแต่ฟังฟังด้วยหลายๆคนก็ออ่ถือว่าปฏิบัติ ด, ดีทุกคนอาจจะมาฟังดูไม่แต่อาจารย์ประเสริฐหรืออย่างเงี้ยหรือว่าท่านมงคลเนี่ยหรือว่าโยมโยมเลยนะ มารีสาเนีน่ยเรียกว่าโย ม, มเออโยมเบียอันนี้ที่ได้ยินนะไม่ได้ยินครับไปพูดก็อาจจะมีนะเออก็เป็นผลการปฏิบัติคือเข้าใจปังแล้วเข้าใจว่าเออเขาก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเราได้รับประโยชน์จากการปฏิบัตินะแต่ว่าเราจะถึงระดับไหนชั้นไหนเป็นอีกเรื่องของแต่ละคนนะเขารู้ของเขาเองนะแต่ว่าในสายหลวงพ่อเตียนมันก็มีเยอะ เท่าๆ ท, ที่อาตมาไปหลายที่นี่ก็สายหลวงพระเทียนนจะมีน้อยที่ติดบุหรีนะมีน้อยพระนะอ่าก็อาจจะเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้ที่มันเร็วนะปฏิบัติอย่างนี้เร็วเกิดผลเร็วก็ให้เราตั้งใจปฏิบัติตามันเกิดนะเกิดจริงๆอาตมาก็เคยคิดก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหถ้ามันเป็นนลักษณะนี้นะ คนทุกคนมันบรรลุได้หมดหลรทำแล้วคำที่พระพุทธเจ้าตัดนว่ว่าอย่างอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีนี่มันถูกเป๊ะเลยถ้าไม่เกิดพ้านาคามีก็เป็นผ้าลาหน์ถูกเชื่อสนิทใจเลยตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเราทำจริงๆอะ่ะเจ็ดวันนี่ก็เห็นผลแล้วแต่ใครจะเอาจริงนะเปอีกเรื่องหนึ่งนะเออ แต่ว่ามันเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆไมหมเฉพาะไทยฝรัง่งหรือว่าคนแคนเบอรคนลาวอ่ะทุกคนอ่ะคนทุกคนปฏิบัติได้หมดขอให้ทำจริงๆอ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยานขึ้นมายานนี่แหละตัวสําคัญพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเมื่อเรายังไม่พบยานได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนิจจชาต ยานนี่นะสำคัญเคยวิเคราะห์เหมือมนกันว่าจะทำยังไงถึงจะเกิดยานเคยวิเคราะห์ อ, อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่มียานเนี่ย แ, แล้วเลยว่าจะเห็นธรรมจะมีดวงตาจะเห็นรูปเห็นนามไม่มีอ่ะต้องยานอย่างเดียวทีนี้ยานเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันต้องทำขึ้นทีนี้มันจะเกิดยังไงจะเกิดยานนี่ต้องอาศัยนิมิตอ่าอันนี้จะเล่าเรื่องอัตมาวิเคราะห์ให้ฟังนะ ฟังฟังไหว้เปลือมันได้ประโยชน์กับโยมคือนิมิตก็คือสิ่งที่ปรากฏที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนเนี่ยการเห็นก็เป็นนิมิตเย็นนี่ก็เป็นนิมิตร้อนก็เป็นนิมิตรสอาหารเปรี้ยวเค็มหวานก็เป็นนิมิตอ่าแล้วก็เย็นร้อนแข็งที่กายก็เป็นนิมิตความคิดก็เป็นนิมิตนิมิตเหล่านี้อย่าทําให้เกิดยานแต่ว่าจะทํำยังไง เราต้องไปดูดูสิ่งที่เรียกว่านิมิตเนี่โดยอาศัยสตินี่ดูดูเรื่อยๆดูเนืองเนืองทําบ่อยๆเห็นเห็นเนืองเนืองเห็นเนืองเนืองอ่ะเนืองเนืองเนืองเนืองแล้วยาจะเกิดขึ้นจากไม่มีเนะมันจะมีเคยวิเคราะห์ อ, อย่างนี้นะเหมือนกับเราทุกคนเนนี้ถามว่าทุกคนมีความรู้สึกไหมลองถามตัวเองี่ตอนนี้รู้สึกไหม เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกไม่ในกายเราถ้าเรามีความรู้สึกในกายเรารู้สึกอยู่ความรู้สึกอย่างนั้นแหละมันมันสักแต่ว่ารู้สึกแล้วก็เห็นเข้าไปในสักแต่ว่ารู้สึกแล้ ว, ลวทำตรงนั้นให้เนืองๆนี่พอมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างมันก็มีถ้าพูดถึงถ้าจิตใจเราละเอียดพอมันปรากฏอยู่แล้วไอ้กายวิทยาจิตธรรม กายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามตามความจริงเป็นอย่างนี้นะเราไม่ต้องทําอะไรเราเพียงแต่กําหนดรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อจิตเรามันยังหยาบอยู่มันไม่ละเอียดเนี่ยเราก็ต้องสร้างอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยคือทําให้มันหยาบขึ้นทําให้ชัดขึ้นอถ้ามันเล็กก็ทำํำมันใหญ่ขึ้นมันจะได้เห็นไม่ผิดเราทำํำมาเยอะพอทํำบ่อยๆดูบ่อยๆทํำบ่อยๆดูบ่อยๆนี่ มันจะเป็นอินทรีห้าพลาห้าอัตมานี่เคยเห็นชัดนะพลาหานี่ถ้าไม่เห็นไม่พูดนะอย่างอื่นไม่เห็นแต่พละหานี่เห็นชัดมากอ๋ออย่างนี้เลยก็เรียกว่าพลาหาพวกสังขารนี่ก็เหมือนกันนะพวกขันหานี่ไอเราเรียน ต, ต, ตามตำราเราก็รู้อยู่แต่ถ้าไม่เห็นมันชัดมไม่รู้เลยมันคืออะไรต้องเห็นมันนะเรารู้ว่าเห็นเอออย่างนี้อย่างนี้ แต่ธรรมะชวนมากจะไปในทางอ่าใช้ลมหายใจทีนี้จิตมันสงบมันก็เห็นปรากฏขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าทางมือนี่ก็นั่นแหละที่พูดตั้งแต่พรรษาสองหลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วมันอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ามันเหมือนกับอลรหันเหมือนกับมะม่วงที่จดเด็ดมันไว้ในมือเนี่ยมันมีความประมาทอยู่อย่างเงี้ยก็ ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะมันคิดอย่างนี้นะทำเมื่อไหร่ก็ได้พอมันเข้าใจมันบอกว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้อรหันเนี่ยคิดอย่างนี้ตอนนั้นอนะที่นี้อ่เอาสามปีก็แล้วเจ็ดปีก็แล้วไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ก็สิบสิบสี่ปีแล้วสิบสี่พรรษาแล้วอยู่ไใจอระไอแต่ตอนที่มันเกิดปัญญา คือยิ่งศึกษายิ่งลุ่มลึกพอจะพูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ยภาษารีบุตรเนี่ยท่านอุ ป, ปมาไหมว่าปัญญาของสารีบุตรเนี่ยเหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากฟ้าทั่วเมืองอาสาวัตถีสารีบุตรนับได้โยวโยงลองคิดทีมันเป็นไปได้ไหมนับได้ทุกเมนะ็ดอ่ะ มันเป็นยังไงอันนี้ยต่มาก็วิเคราะมันกันนะแล้วมันมาเกิดกับตัวเองคือเข้าใจเลยว่าไอความความนี้มันคือมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจถ้าจิตเรามันชัดนี่มันจะเห็นหมดเลยอะไรเกิดปรากฏก็เห็นอะไรเกิดปรากฏก็เห็นอะไรเกิดปรากฏก็เห็นนี่คือความหมายของว่าฝนตกลงมานับได้ทุกเม็ด เป็นงื่นจริงฝนตกลงมานับในถุงเม็ดคือนับสิ่งที่มันเกิดปรากฏที่ตาหูจมูกลิ้นใจใจนะอืมเหมือนกับไอ้ที่หลวงพ่อเทียนว่าลอยถาดนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมาตรงกันนะกับหลวงพ่อเทียนคือความความคิดเรามันมีก่อนหน้านั้นแล้วพราะมันจะฟังฟังเทปหลวงพ่อแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันตรงมันใช่อย่างเงี้นะ คือมันไม่ขานเลยมันใช่คืออย่างอื่นใครจะว่าไงกันแล้วแต่อย่างลอยถาดแล้วถาดพรวนกระแสไปจมลงไปชนหัวหน้ากอะที่จริงคือทวนกระแสความคิดอันนี้ร้อยเอร์เซนเลยเป๊ะอย่างอื่นไม่รับรองแต่อย่างนี้จริงเพราะนั้นท่านพูดกับเรื่องอภิญยาเรื่องหนึ่งนะ อภินยาเราเรียนมาตอนบวชเนี่ยทำไมาซื้อหนังสืออภิญยามาสามปึ๊กนะเตอนนี้อ่านอ่อ เ, เดินอากาศแต่พอหลวงพ่อพูดอภิญญาก็คือรู้ใจเจ้าของนี่แ e n รู้แจง้งรู้ใจรู้ความคิดนี่มันก็เลยมันเออหนะ่ะ ม, ม, มันมนันมันนี่มันมาตรงกับความคิดของเราอะนะที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างั้นนะก็เลยโอ้โหะหลวงพ่อนี่ ไม่ธรรมดาเราคือตามความเชื่อของอรตามาคือเชื่อว่าท่านถึงที่สุดนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยคนอื่นไม่รู้นะแต่ว่าความเชื่อคือฟังฟังฟังจากคําพูดแล้วก็วิเคราะห์อย่างนี้นะเราเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเราเชื่อไม่ขาดเรายัางติดอยู่เออยังยึดอยู่ก็ปล่อมันยึดแคก็ยึดไปถ้ามันจะยึดไปจนตายก็ปล่อยมันเพามันไม่อยากปล่อยก็คิด ง, ง่ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องศึกษาเรื่องอะไรนี้คิดว่า ตอบได้ทุกอย่างนะถ้าถามมานะอาตมานะแต่ว่าในด้านจิตใจเรื่องสติเรื่องอะไรอาตมาไม่มีเยอะนะมีน้อยๆก็เลยไม่ค่อยยาอ่าเป็นผนดีเท่าไหร่ตรงเนี้ยตรงสตินี่คือความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกว่าสร้างขึ้นมันก็หายไปความรู้สึกอาตมามีแล้วก็หายไปอาตมาเคยดูลมหายใจเนี่ยได้ จากสองหมื่นถึงสามหมื่นก็มีนะอยู่ในตั้งพรษาเลยนะ เ, เรื่องเรื่องปฏิบัติอนาปานสตินับอยู่นั่นแหละ ว, วันไม่ต้องทำอะไรครับเข้ากันหนึ่งออกก็สองอย่างเงี้ยเป็นหมื่นๆครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จิตมันสงบแล้วลองที่ฐานดูนะเอาถ้าชาติก่อนเราเป็นพญานาคจริงๆขอให้งูมางูมาจริงๆอ่ะมามานห้าเมตรนี่มันก็ยืนดูเราเราก็ยืนดูมัน ยืนอยู่ประมาณห้านาทีมันก็ลอยไปอีกประมาณแปดเมตรนะอธิษฐานใหมอ่อีกเอาทามันจริงขอให้มันมันรอดวางขาเลยอย่างนั้นเดินจุ ก, กลมอยู่ใต้ตใต้ตกุฏิกับมาอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รอดนะมันมาประมาณคืบนึงจากเท้าเราเนี่ยงูสิงตัววานแต่อัตามาไม่เชื่อนะว่าอัตามาเป็นพญา น, นาคจริงๆแต่มันเป็นอนธะิษฐานแล้วมันเป็นแต่อัตามาไม่เชื่อนะอ่ะเออมันเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะ ไอเรื่องนิมิตเนี่ยตอนเกิดสึนามินี่ก็เหมือนกันได้นิมิตเหมือนกันแล้วคนตายอะ่ะแล้วก็ไปอยู่อินเดียนึงเหมือนกันได้นิมิตที่น้ําท่วมปีที่แล้วไปจําอินเดียคนตายพันหนึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเขไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่ออันนี้ประสบการณ์การปฏิบัติแล้วที่อุดอรก็เหมือนกันที่อุดอรตอนเพื่อนไปเล่นท่าแขก ตอนงานท่านพนมเขากลับมาแล้วในิมิตเราเห็นไอ้มุตการติดตามเพื่อนมาด้วยอ่าอีนี่ก็อ้ยปวดหัวตัวร้อนเพื่อนบฟัอก็ไอ้มุตการมาด้วยแล้วก็บาอาย่างนี้นะแต่นั้นก็ยังไม่เชื่อนะแล้วคนคนหนึ่งนี่เขาเขาโดนรถเหยียบคอขาดไปเที่ยวงานเนี่ยหนุมหน่มๆอายุ25ปีเนะี่ย รถข้นอ้อยคอเหยียบคอขาดไปเที่ยวงานตีสองกี่มไซค์แพอดีเขาเอามาฝังอยู่ที่ประชา้าลที่อันนี้สำนักของเพื่อนมีประมาณ6กเจ็ดศพเลยต่มากเลยไปปักกดอยู่ที่นั่นแหละทีนี้มาบีบคอในนิมิตอ่ะมาบีบคอแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาจับทุ่มไปแตกกระจายไปอย่างเงี้ยเบอกว่าไอ้นี่คนนี้นะเขาชื่อสมยศอาจาร์กวดน้ํานกหน่อยเด้อ ตื่นเช้ามาไปถามเนียนะคนชื่อสมยศมันมีไหมก็มันก็อยู่ในโรงที่อยู่ใกล้ๆกับจะนอนเนี่ยมันโดนรถเหยียบข้อขาด ม, มามพึ่งตายได้สองเดือนที่จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมยศเนะี่ยแต่ว่าพอไปถามกันแล้วมันมีอย่างเงี้ยแต่ว่าอตามาก็ไม่เชื่อนะว่าผีมีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้กวดน้ำให้หน่อยแล้วก็กวดให้อยู่ แต่ว่ากขไม่ได้เชื่อว่าไอ้สมยศมันได้รับกวดน้ำเราแล้วจะลอยไปเกิดง่วงนี้แต่ว่ามันมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่นี่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีแต่ว่าความเชื่อนะ่มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะะว่าของสมมุติมันมีเหตุมันเป็นได้ทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่แนวปฏิบัติของเราไม่ใช่วิธีที่เราจะไปติดอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปเชื่อตรงนั้นแล้วก็ไปไหนไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนขังตัวเองนะ เมือ่อกุญแจล็อกแขนล็อกขาตัวเองเพราะฉะนั้นความเชื่อที่มีอยู่นั้นออกหมดเลยไม่ต้องเชื่ออะไรเหมือนกับมันมีอยู่ที่เรามีเลยตาหูจมูกลิ้นกใจแล้วก็ปฏิบัติไปถ้าเห็นมันหลุดจากมันเท่า น, นี้อจบอย่างอื่นยกไว้เลยไม่ต้องเชื่อถึงจะมีก็ตามอ่าเพราะฉะนั้นมันมันมีของนี้มันไม่เหมือนกันหรอก แต่และคนเหมือนกันหลวงพ่อพูดเมื่อคืนนี้ว่าคนนั้นน่ะเขาเห็นนั่นเห็นนี่เห็นผีดรอกตอร์หน่วยก็เหมือนกันะที่เคยพิพพมพ์หนังสือธรรมาเล่มแรกตอนอยู่ที่ธรรมวิชิตขับรถนี่มีแต่เปรตมีแต่ผีเต็มมุ่นทางเลยกลับดึกๆจากกรุงเทพมาสราบุรีเขาก็เห็นของเขาคนอื่นไม่เห็นเขาเห็นคนเดียวแล้วเวลาเขาตายตายยังไงเขาชอบพญานาคก็ไปดูหนังที่ แถวลาดพร้าวออบ้านเขาหนังเรื่องนั่นขึ้นสิม่าข้ามเดือนสิบเอ็ดที่นกปดลแสดงสร้างนะดังประมาณห้าหกิตปีหลังนั่นแหละฉายรอบแรกแล้วก็ไปดูแล้วก็ตายคาลงหนังเลยลงเติมหน่วยอแต่ว่าของเขานะ่ะเขาก็เป็นของเขานะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องมีเรื่องเป็นเนี่ยมันมันมีเรื่องเล่าเยอะเกี่ยวกับเรื่อง ที่มันจะชวนหลงอาตอมาว่าเรื่องเนี้ยเรื่อยโยมว่าไงโยมว่ามันหลงได้ไหมเออเรายึดมันก่อนหลงได้แล้วท่านถ้าเราไม่ยึดมันก่อคือคําว่าหลงหลงว่ามีหลงว่าเป็นอันนี้ตัวตัณหาจริงจริงมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นแต่เราหลงว่ามันมีมันเป็นพอเราหลงว่ามันมีมันเป็นแล้วก็เชื่อเนี่ยพอเชื่อแล้วก็อ่าไม่ไปไหน มันก็ปรุงแต่งกับความมีความเป็นมันเป็นเรื่อยอะ่ะถ้าพูดตามหลักวิชาการมันก็ง่ายๆนะอย่างามากมงงนิยงแปดนี้กรามอะไที่พระพุทธเจ้าพูดว่าภิกษุไม่ควรเกี่ยวข้องสองอย่างหนึ่งกรามพรสุขานิการุโยคสองอัตตะกิลามัฐานุโยกแล้วก็แสดงมัชชิมาปฏิปทานะว่าทางสายกลางอย่างนี้นะ กามาสุ่ขันในการนโยกก็คือการพัวพันในกามคําว่าการก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแหละคือกามจิตเราไปพัวพันแหละเป็นการพัวพันในกามเลยอัตตาคิรมาฐานุโยกก็คือการมีกันเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยแต่นี่ที่เราเรียนมาคือไปนอนนอนหนามนะอัตตาคิรมาฐานนโยกไปเพ่งดวงอาทิตย์เป็นวันอืมไปกรำมือจนเล็บทะลุหลังมือ อ่านี่อัตตกีฬามถฐานุโยกตามตำลาแต่จริงๆถ้าเราเป็นอะไร้วเป็นอัตตกีฬามัฐานุโยกหมดนะถ้าเราเนี่ยจีวรของเราเป็นของเราแล้วมันก็เป็นอัตตกีฬามาฐานุโยกการผัวพันก็คือเราอยู่ในตาเห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการไปแล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะเป็นมัชชิมาปฏิปทาก็คือไม่อยู่ไม่อยู่ทั้งสองอย่างไม่คล่องทั้งสองอย่างไม่อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไม่มีไม่เป็นนะแล้วเราทำจิตได้ไหมยงนั้นรู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่เออธรมาคิดอย่างนี้รู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่รู้อยู่ก็เห็นก็เห็นอยู่รู้ว่าเห็นเระเลือกได้อยู่ว่าเห็นแต่ก็ปล่อยอยู่ก็ไม่ติดนะไม่ยึดนะวางจิตไว้อย่างเงี้ยอ่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นพระเป็นโยมก็เป็นอยู่ในใจแต่ว่าเราไม่ไปเป็น มันก็เปลี่ยนของมันพอออกมาจากนี้มันก็เลยกลายเป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่ข้องซ้ายไม่ข้องขวาเนี่ยเหมือนกับเรายกมือนี่ถ้าเรายกเราแล้วสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ายกไม่เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นมัชชิมาแล้วแต่เราไม่รู้หรอกมันอาจจะเป็นแวบๆแล้วก็หายไปนานๆทีเป็นแวบๆเป็นพลังกันมาเป็นอินสีห้าปลละห้าทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทีนี้พอมันสมังคีกันเขาเรียกแล้วมันก็จะโป้ง ทีนี้ยานก็จะเกิดขึ้นเราก็จะรู้แจ้งล้วก็จะร้องออกขึ้นมาโอ้เราโง่มาตั้งนานนี่เป็นยังไงมันก็เท่านั้นมันเป็นอย่างไงอันนี้วิถีทางมันนะอ่าเพราะฉะ น, นั้นเรา ท, ท, ท, ทําไปเถอะทำทำยังไงก็ได้ขอให้ทําอ่าก็มันมันไม่มีใครรู้ก่อนแล้วถึงมาทําอ่ะมันต้องทําก่อนถึงจะรู้เห็นไหมไม่มีใครรู้แล้วแล้วมาทําถ้ารู้แล้วอย่ามาทำทำไมนะ ก็เราไม่รู้เราก็ต้องทำทำไปเรื่อยๆพอทําแล้วมันถึงรู้พอรู้แล้วก็เราก็ทํายิ่งๆขึ้นไปให้มันคมชัดขึ้นไปแต่ธรรมะทํายังไงก็เหมือนเดิมรู้เป็นไรธรรมาไม่ขี้เกียจนาธรรมะก็ยกมือยกอะไรอยู่แต่ว่าเหมือนเดิมอเป็นอย่างนั้นเหมือนกับมันทุกเท่าไหร่มันก็สุกเท่านั้นมันเกิดเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้นมันดีเท่าไหร่มันก็เลวเท่านั้นของมันเป็นอันเดียวกันมันอยู่ด้วยกัน เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะได้นะเราจะไปตั้งจิตไว้อย่างนั้นให้เราคิดว่าทำเพื่อทำไปไม่ต้องเอาอะไรอ่าถ้าเราคิดว่าทำเพื่อจะได้มาซึ่งนั้นซึ่งนี้แมแต่บุญหรือว่าสติอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคิดหรอกเราทำไปเถอะแล้วมันเกิดของมันเองเป็นของมันเอง ท้ายที่สุดมันก็เป็นของมันเองอไม่ต้องตั้งใจว่าจะเอานะถ้าตั้งใจว่าจะเอาเราจะเป็นทุกข์ตลอดเพราะว่าแท้ที่จริงมันเอาไม่ได้การขโมยการมีศีลนี่แค่เรารู้สึกว่าเป็นตาเราเป็นหูเราเป็นกายเรานี่มันก็ขโมยแล้วนะถ้าพูดถึงปรมัตศีนะ่ะขโมยมาเป็นของเราไงจริงๆมันเป็นของธรรมชาตินะ่ะลักแล้วนะั่นนะ่ะผิดศีลแล้ว ถ้าพูดสิงศีปะลปลามัดนะแต่ว่าเราก็มีอยู่เราก็ผิดอยู่ตลอดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าต้งไม่พูดลึง่างนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองสาเกตนะเป็นบ้านของนางวิสาขาพระพุทธเจ้าไปโปรดคนแถวนั้นมีชาวประมงคนหนึ่งนะเป็นคนหาปลาก็ไปฟังธรรมแล้วเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมเสร็จแล้วคนกลับไปหมดแล้วอาชาวประมงคนนี้ก็เข้าไปนั่งกอยองเท้า ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี่เป็นชาวประมงผู้หาปาลาพรากชีวิตปลาทุกวันข้าพระองค์บาปไหมพระพุทธองค์จงนิ่งเนี่ยถามถึงสามวาระตามธรรมดาถ้าถามถึงสามวาระแล้วพระพุทธองค์ไม่ตอบผู้คนนั้นจโะโง่ศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงอ่าพระพุทธองค์ก็เลยพยากรณว่าดูก่อนพร่์ชีวิตของเรานี่เกิดมาร้อยปีเนี่ย อ, อุปมาเหมือนกับกรรมกรคนหนึ่งเขาตราดตราทางานทั้งวันร่างกายเขาย่อมเปื้อนไปด้วยเหงื่อใครแต่พอเขาจะหลับนอนเขาได้ชำะระล้างร่างกายให้สะอาดเขาย่อมหลับเป็นสุขฉนันใดก็ดีชีวิตที่เกิดมาประมาณ้อยปีนี้ย่อมเปื้อนไปด้วยบาปธรรมแต่ก่อนจะาตายเขาได้ชำระจิตของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์เขาย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ตัดเท่านี้นะชายคนนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะหมายถึงว่ามันชำระล้างไปหมดเลยล้างบาปม่ะนะบาปที่ไหนบาปที่ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่นะจริงๆมันไม่ได้อยู่ความรู้สึกว่ามันอยู่ที่เฉยจริงๆแล้วมันหายไปหมดแล้วพอเราเข้าใจแล้วว่ามันหายไปแล้วมันไม่เหลือแล้วมันก็เลยหมดไปอันนี้คือชาระล้างไปอ่ะล้างด้วยปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแก้ได้ไหมกรรมบาป ได้ถ้าเรารู้วิธีมันล้างไปเลยเหมือนกับโยมมาริสาพูดมาคือมันชําระมันล้างได้เพราะฉะนั้นคือบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยพอชําระล้างไม่เอาเท่านั้นแหละมันมันสลายไปหมดอย่างเงี้ยพอรู้วิธีสลายไปเห็นแจ้งว่ามันสลายไปมันไม่อยู่อย่างเงี้ยก็นั่นคือแหละชําระไปแล้วบาปเนี่ย เป็นพระโสดาบันภามกว่า น, นั้นนะเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นลักษณะนี้นะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็อยู่นั่นแหละถ้าบุตะองค์ทึงว่าเรื่องให้ทานนี่าทานแบบได้บุญที่สุดคือทานแบบน้ำบริสุทธิ์ถ้าทานให้ไปโดยที่คิดว่าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา หรือว่าจะมาในรูปแบบอื่นก็ตามแบบเราทานไปให้ข้าวถุงหนึ่งแล้วจะได้บุญมาได้สวรรค์มาหรือ ว, ว่าชันิหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากผิวพรรณงามพอเราให้อะไรไปแล้วเราหวังจะได้มาอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ตัดว่าเป็นทานแบบอาบน้ำโคลนแบบไหนอาบน้ำโคลนคือชาระล้างอยู่อาบอยู่แต่ว่าน้านั้นอะยังโสกรปรก พอมาต้องตัวเรามันก็เหม็นเหมือนเดิมเนี่ยอาบยุชลระอายุเถอะว่าชิงใหม่เข้ามาคือน้ำโคลนอ่ะมันจะมีกลิ่นเนี่ยมันก็สกปรกเหมือนเดิมมีกลิ่นเหมือนเดิมไม่สะอาดเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสนรเสริญการอาบน้ําแบบน้ําสะอาดทําไมต้องสนรเสริญเพราะว่าความสะอาดมันปรากฏเอาน้าชำระล้างขี้ไขรไปอย่างเงี้ยความสะอาดปรากฏบัณฑิตก็สนรเสริญ แน่การชําระล้ลางแบบนี้นี่คือการให้ทานโดยที่ให้แล้วตัดขาดไปไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเหมือนเราจะเลื่อนสมิยกมือหรือว่าเดินจงกรมกัแล้วแต่นั่งสมาธิกันแล้วแต่ให้ทานกันแล้วแต่หรือว่าแม่ครัวทําอาหารหรือว่ารับปรนะทานทั้งหมดนี่ที่เราคิดว่ามันเป็นบุญนี่เราให้ไปโดยที่ไม่หวังเอามาตอบแทน่อนั่นคือการ ชำระที่สะอาดที่สุดนะถาเรตามตามพุทธศาสนาน ะ, ะเพราะฉะนั้นจิตใจทุกคนนี่มันล้างได้ชำระได้จิตทุกดวงเพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้นเองอแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วคนก็ไม่อยากรับศีลอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราขาดเล่าไม่ได้นี่ก็มีเราไม่อยากฟังธรรมเพราะฟังแล้วเรากลัวบาปได้ยินได้ฟังแล้วกลัวบาปกลัวเขาว่าบาป คือมันเข้าไปแทงจีเกลเลตเราล่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความเข้าใจมากกว่าเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดผลตามมาเป็นอย่างนั้นมันก็มันมีหลายจริตนะแต่ละคนแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันอย่างบางคนเขาก็พูดว่า การพูดนี่ก็บางทีก็ไม่ดีเท่ากับทําให้ดูอันนี้ก็ถูกของเขาแต่บางทีอย่างก ร, กรณีสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมนี่ก็เพราะการฟังนะท่านก็เพราะการฟังแต่ว่าคนมีปัญญาสารีบุตรเนาะฟังธรรมจากอาจาร ช, ชี้อย่าที่ว่าเยธรรมาเหตุปปภาเตสังเหตุตุณฐาคตโตเตสัจะนิโรโตจะเอวังวาทีมหาสมโนบอกว่า ทำเราได้เกิดแต่เหตุตาคตตัดเหตุอย่างทำนั้นและตัดความดับอย่างทำนั้นนะความอย่างนี้สารีบุตรก็บรรลุทำได้อย่างงี้ยอย่างพายยะก็ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าออสอนว่าดูก่อนพายยะในการได้เห็นสักแต่ไม่เห็นหได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งในการได้แลไม่มีโลกนี้มีโลกนั้นมีโลกระหว่างโลกนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์โดยเจอความย่อเป็นอย่างเงี้ เขาก็บรรลุได้อย่างนี้นะเป็นอรหันต์ด้วยคนเนี้ยแล้วกรณีเทศาณาอาทิตตะปริยัยยศูตรที่พระพันสามรูปมนะันนะบรรลุอรหรันต์ก็ใส้สูตรว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนตากับรูปถึงกันเข้าเกิดจากสุวิญญาณขึ้นนั่นก็เป็นของร้อนเธอจงละเสียะ แล้วก็แสดงหูจมูกลิ้นกายใจโดยในเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าละตรงนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำอาสวะให้สินไปบรรลุถึงนิพพานหรือว่าวิมุตต์ก็แล้วแต่หรืออรหันต์ก็แล้วแต่แต่ใจความมันก็เป็นอย่างนี้อ่มันเป็ น, เ ป, นเป็นเท่านี้แต่เราจะละได้ไหมเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่มันเป็นเท่านี้ คือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันมีปรากฏอยู่เกิดปรากฏอยู่สิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องละถ้าเกิดเรายังมีความสำคัญว่าสิ่งนั้นดีนะสิ่งนั้นเลิศแน่นอนเราต้องสแสวงหาสิ่งนั้นแต่ตราบใดที่เราเห็นว่าทุกสิ่งเสมอกันแล้วนั่นแหละเราจึงวางลงเหมือนกับก้อนขี้หมาก้อนหนึ่งกับทองคาทองแท่งหนึ่ง ถ้าความรู้สึกว่าทองคําดีแน่นอนเราต้องแสวงหาทองคําและนั่นคือการไปที่ไม่รู้จักสิน้นจักจบเรียกว่าวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดถ้ากอนกี่หมากับทองคําเสมอกันปุ๊บไม่มีอย่างเงี้ยพระนาคามีภระรยะชั้นที่สามก็เพราะว่ารู้ตัวนี้ที่ว่าปฏิฆาะละตัวนี้ได้คือเห็นทุกสิ่งเสมอกัรน่ะดีก็กับเลวก็เสมอกันอย่างเงี้ย สุกกับทุกก็เสมอกันเกิดกับตายก็เสมอกันแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเพราะมันเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยมีแต่สิ่งที่ไม่ดีนะอารมาว่าถ้าดีพระอรหันต์เาไม่เป็นก็าไม่หลุดพ้นหรอกเขาก็ต้องไปสแสวงหาสิ่งที่มันดีแลนะ้วเนี่ยทีนี้เราจะทำยังไงถึงเห็นว่ามันไม่ดีก็ต้องดูมันให้เห็นชัดนะเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงนั่นแหละ ความที่มันไม่ดีคือมันไม่เที่ยงมันไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนมันบังคับไม่ได้มันมีแล้วหายไปอ่ะเราจะเอาอะไรเนี่ยในตัวเราเดี๋ยวนี้มันมีแล้วหายไ ป, ออไยยไปพอเราจับับคว้าเอาเท่านั้นแหละมันหายไปแล้วเนี่ยเหมือนนาฬิกาเราจะเอาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เจ็ดมงห้าสิบแปดนาทีแล้วเราจะเอาห8สิแปดนาทีเดี๋ยวมันก็ห้าสิบเก้าแล้ว พอเราจะคว้ามันเลื่อนไปใหม่แล้วอย่างนี้ความคิดเราก็เหมือนกันไหลไปอย่างนั้นพอเราจะจับปุ๊บมันไปแล้วมันหายไปแล้วมันก็เลยบางทีมันเห็นว่าทุกสิ่งมันตายไปหมดแล้วถ้ามันไม่ไม่ดับไปแล้วเราไม่สามารถรู้ได้หูนี่ถ้ามันไม่ดับเราไม่สามารถที่ยินเสียงได้นะใจถ้ามันมันมันไม่ไม่ดับเราคิดไม่ได้อะ มันก็เลยเหมือนของมันดับไปแล้วอเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่มีอะไรแล้วแต่มันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยมันไม่พ้นทาไงมันก็เป็นกองมันอยู่อย่างนี้นนน เ, นรนนเราก็จเจริญไปบางทีมันอาจจะมีจุดจุดหนึ่งที่พลิกผันแต่ที่พูดอย่างนี้ก็อยากจะให้รู้ว่าให้พึงรู้ไว้เถอะว่าเราไม่สามารถจะเอาอะไรได้ถึงเรามีสติเรามีความสุขสมมตินะ เราเป็นภาวะที่เออนี่แหละสบายใช่ล่ะแต่เราก็อย่าเอามาเป็นของเราพราไม่อยู่แน่นอนมันต้องไปต้องเห็นมันชัดๆว่าแท้ที่จริงแล้วมันนั่นแหละคือตัวที่อันตรายที่สุดอย่างเงี้ยที่เราจะต้องละอันนะั้นคือจุดสูงสุดอย่าไปติดถ้าติดแล้วก็อาบน้นําโคลนนั่นแหละมีกลิ่นเสมอไป แต่ต่อมาก็ไม่ใช่ว่าหลุดนะต่อมาก็ติดเหมือนกันอ่าก็หาช่องทางไปอ่าก็อย่างที่ว่าเนีประสบการณ์คือไม่มีอะไรสรุปง่ายๆหมดเวลาแล้วในการปฏิบัติเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีเท่ากับทําต่อเนื่องนะโยมนะทําต่อเนื่องนะโยมมงกรสีไฟวันนี้อุ่นๆแล้วพรุ่งนี้เคยสีใหม่สีอยู่สิบ ป, ปีก็ไม่เป็นไฟ เน้นแล้วเน้ น, เ น, น, เ, น, นเน้นแล้วเน้นเน้นแล้วเน้นเดยกก็วึบขึ้นมาอันนี้เป็นสัจจะเลยเป็นความจริงเลยอธรรมชาติมันสอนเราไม่ใช่ใครสอนหรอกเพราะฉะนั้นตามประสบการณ์แล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เ, เราทําเถอะอ่าเวลาหมดแล้วท่าที่สุดนี่ก็ขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะโยมังกรนีอ่อัตมาว่าถ้า อปฏิบัติดีๆนี่ฉลุยนะเพราะว่าที่ดีอยู่บ้านก็คนเดียวอยู่นู้นไปดูแล้วบ้านหลังบักใหญ่เลยนี่อะไรขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ปลดปักรักษาทุกท่านอให้ปฏิบัติไปโดยงา่ายมีร่างกายอันอ่าเบาไม่เป็นทุกข์มาก แล้วก็ให้รู้ถึงจุดที่ทุกคนปรารถนาทุกท่านทุกคนเธอ